อนนี้มีกลุ่มจิตตปัญญาจิตตปัญญาศึกษาปกติหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมชมชอบคนที่มาเรียนเอาเกรดนะ <c oughs> เรียนเพื่อเก <c oughs> <c oughs> ็บได้ A ได้บีได้อะไรเงี้ยเรียนเอาคะแนนที่นี่ส่วนใหญ่เรียนเพื่อให้เกิดปัญญาจริงๆมีปัญญาแล้วมันต้องพ้นทุกได้จริงๆ เราไม่ได้เรียนเอาคะแนนออกแต่ถ้ามาเรียนเพื่อจะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของเราให้ได้จริงๆนะก็เชิญมาเรียนเลยพวกเราบุญนักหนาล้วเกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธพวกเราอยู่กับศาสนาพุทธมาแต่เด็กนะตั้งแต่เกิดเคยชินเคยชินจนไม่สนใจไม่สนใจเหมือนคนอยู่ในบ้านเรานะ อย่างใครแต่งงานนานๆจะรู้สึกวันนี้แฟนแต่งชุดอะไรไม่รู้หรอกนะแต่ก่อนต้องพยายามรู้นะจะได้ทักถูกอยู่นานๆแล้วก็เฉยๆเหมือนโต๊ะตั ว, ตวนึงเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่ง <c oughs> วันใดขาดฉันแล้วเธอถึงจะรู้สึกธรรมะ <c oughs> นี้ก็เหมือนกันนะเราอยู่กับศาสนาพุทธมาตั้งแต่กเกิด <c oughs> ไม่เห็นหรอกว่าสำคัญแค่ไหนไม่สนใจเรียน บางคนก็ไปเรียนเมืองนอกนะไปเรียนมาโอ้ยังได้หลักสูตรลึกซึ้งเหลือเกนิชนชาญฉลาดเหลือเกนินะยังไปเรียนจากฝรั่งมาแล้วเา่อมาสโลแต่ก่อนนะนักจิตวิทยามันสอนเลยว่า น, นี่สูงสุดเลยคือการรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองแล้วมันบอกเลยวิธีค้นพบตัวเองก็คือตามดู มีสติตามดูตัวเองน้อยมันเอาของเราไปนะไอ้คนไทยก็ไปเรียนโู้ตื่นเต้นตื่นเต้นต น, นะ <c oughs> หรือท่านเจ้าคุณไปยุท่านบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคนเหอธรรมะมากเลยจะไปเรียนจากฝรั่งนะฝรั่งสอนธรรมะอยู่เรื่องหนึ่งชื่อจักรวาถินจักรวาถินโอ้ยสอนมีหลักสูตรมีสิบอย่างนะต้องทำสิบอย่างนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการบริหาร ท่านมาดูดูนะอไอ้นี่มันจั ก, กรวัดดีวัดเนี่ยเอาไปเขียนภาษาฝรั่งไว้นะมันเสียงมันเพี้ยนไปจริงๆคือจั ก, กรวติ ด, ดีวัดวัดของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นจั ก, กรพรรดิ เ, เราไปเหอนนะเหินเรียนๆกันเอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นของดีของวิเศษอยู่กับตัวนะไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าไม่รู้เพราะไม่สนใจนะ หรือย่างเรียนเพราะว่าอาจารย์บังคับให้เรียนเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยถ้าเรียนธรรมะเพราะถูกบังคับให้เรียนนะหรือว่าเป็นคนที่น่าสงสารอาภัพที่สุดไม่ไม่หวันจะเข้าใจธรรมะหรอกถ้าเราจะเรียนธรรมะจริงๆนะีต้องเอาหัวใจมาแรกนะต้องเรียนด้วยใจจริงๆเลไม่ใช่เรียนเอาคะแนนนะเรียนด้วยใจที่ใฝ่หาความพ้นทุกข์ให้กับตัวเองก็มีของดีของวิเศษอยู่กับตัวอยู่แล้ว เรารู้วิธีศึกษาธรรมะเราก็จะค้นพบของดีของวิเศษในตัวเองแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวิชาการทางโลกไม่สําคัญวิทยาการทางโลกทุกๆสาขามก็สําคัญทั้งนั้นแหละอย่างทางการแพทย์มันก็สําคัญนะทางวิศวะสถาปัตย์อะไรเงี้ยทางกฎหมายอะไรๆมันก็สําคัญนะแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาแต่ว่าศาสนาพุทธนะีเป็นศาสตร์ที่จะทําให้มนุษย์ เป็นมนุษย์ที่มีความสุขได้เป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นได้มีความสุขอยู่ในตัวเองได้ถ้าไม่สนใจนั้นก็น่าสงสารนะเพราะงั้นมาเรียนนะพยายามสนใจหน่อยอย่าเอาแค่ว่าหวังว่ามาเรียนครบแล้วก็ผ่านหลักสูตรไปเขียนรีพงค์รีพอร์ตนะเขียนผิดผิดถูกถูกก็ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้นะอาจารย์เข้ามาเรียนก่อน ถ้าจะเรียนธรรมะจริงๆต้องรู้ก่อนนะว่าปัญญาเราอยากมีปัญญานชื่อหลักสูตรสิทธปัญญายังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรสิตธปัญญาแปลว่าทำจิตให้มีปัญญาหรือทำให้มีปัญญาเกี่ยวกับจิตหรื อ, อยังไงกันแนนะ่ชื่อแปลกๆนะเอาไงตกลงจะทำจิตให้เกิดปัญญาหรือจะทำปัญญาเกี่ยวกับจิตเอาไงดี เอาอาจารย์จะตกใจคือในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะเราเรียนเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดปัญญาถ้าจิตมันมีปัญญาแล้วจิตมันจะไม่ทุกขนะ์ถ้าจะเรียนให้มีปัญญาเกี่ยวกับจิตเนี่ยแคบไปต้องเรียนให้จิตเกิดปัญญานะเรียนปัญญาเกี่ยวกับจิต้บางคนก็ไปเรียนจิตวิทยาบางคนไปเรียนพระอภิธรรม มีปัญญาเกี่ยวกับจิตเราก็จำไว้เยอะเลยดังนั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดนะแต่จิตไม่ได้มีปัญญาแต่มีปัญญาเรื่องจิตอย่างไปเรียนอภิธรรมนะในอภิธรรมจะสอนเยอะเลยจิตมีกี่ชนิดนะจิตคืออะไรนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นประธานในธรรมะทั้งหลายเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่ นะจะเป็นบุญเป็นบาปะไรอยู่ที่จิตตัดสินใจทั้งนั้นนะนะจิตมันมีอาการปรากฏยังไงจิตไม่ได้ปรากฏโดๆดดอยู่ทั้งวันอาการปรากฏของจิตคือเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดจิตอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิตรูปธรรมก็นำมาทำเป็นเหตุให้เกิดจิตเนี่ยถ้าจะเรียนนะอาพิธรรมจะสอนอย่างนั้น จิตมีกี่ชนิดจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จะมีกี่ชนิดก็แล้วแต่ว่าจะแยกในแง่มุมไหนถ้าแยกมุมในแง่มุมของความเป็นกุศลอกุศลเนี่ยโดยชาติเรื่องโดยชาติเป็นชาติที่เป็นกุศลชาติที่เป็นอกุศลชาติที่เป็นวิบากก็เรียนไปอีกโดยภูมิก็ได้จิตชนิดนี้กามาวาจรภูมิจิตชนิดนี้เกิดในรูปปาวาจรในรูปกระพริม มานก็เกิดในอา ร, รมูปผสมเรื่ออารูปรวาวจรจิตแยกอย่างนี้ก็ได้นะแยกได้หลายแบบนะสารพัดจะแยกเลยแยกแยกแยกไปนี่เรียนเรื่องจิตแยกตามหน้าที่ก็ได้นะทําหน้าที่ได้ตั้งสิบสี่อย่างในจิตตปัญญาเรียนไหมจิตทําหน้าที่ได้สิบสอย่างเคยรู้ไหมไม่รู้อย่าบอกนะเรียนเรื่องจิตนะจิตทําหน้าที่ได้สิบสี่อย่างนะ จิตทำหน้าที่อะไรจิต ท, ทำหน้าที่เกิดเราเกิดมาในภพต่างๆเนี่ยอาศัยปติสนธิจิตนันะเกิดจิต ท, ทำหน้าที่เฝ้าวังหรือรักษาความเป็นภพ <c oughs> อันนั้นไว้อย่างเราจะมีเวังขจิตคอยรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ะหมามันก็มีเวังขจิตคอยรักษาความเป็นหมาไว้คอยสืบเนื่องไว้ไม่ให้เสียความเป็นหมาไปจิต ท, ทำหน้าที่อะไรนะ ชิดนะทำหน้าที่ระลึกถึงอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเรียกว่าหน้าที่อาวชนะเคยเรียนไหม <c oughs> นะระลึกแล้วทํำยังไงเนี่ระลึกแล้วก็ต้องรับอารมณนะ์รับอารมณ์เรียกว่าสัสมปติชนะนะแล้วก็พิจารณาอารมณ์นะพิจารณาอารมณ์เรียกสันติชนะ <c oughs> นะทําหน้าที่หลายอย่างนะ แล้วก็ตัดสินอารมณ์เรื่องวอดทัพพะณะในตอนที่จิตขึ้นจากภวังมามารับอารมณ์นะก็ยังมีจิตอีกห้าอย่างทำหน้าที่อีกห้าชนิดทำหน้าที่ดูทำหน้าที่ฟังทำหน้าที่ได้กลิ่นทำหน้าที่รู้รสทำหน้าที่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายนี่อีกห้าอันพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ ตัวหนึ่งทําหน้าที่ส่งสัญญาณตัวหนึ่งทําหน้าที่พิจารณาสัญญาณอีกตัวหนึ่งเรียกว่าโวตทัพพนะทําหน้าที่ตัดสินให้ค่าแล้วว่าอารมณ์นี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะจิตถัดมาเรียกว่าชาวะนะทําหน้าที่เซพอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างนะจิตอีกชนิดหนึ่งทําหน้าที่คล้ายๆการเซฟข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วชัดเขาเรียกอะไรชัดดาวใช่ไหมจิตเวลาขึ้นมาทํางานนะคิดนึกลงแต่งเสร็จแล้วเวลาจิตจะลงผวังเนี่ยจะมีการชัดดาวเหมือนกันการชัดดาวของจิตตัวนี้เรียกว่าตาารัมพนะนะทําหน้าที่บันทึกเลยขึ้นมาทำเนี้ยคราวเนี้ยได้บุญไหมได้บาปไหมได้อะไรเก็บสะสมไว้นะเซฟไว้เซฟไว้ตัวนี้เรียกว่าตาารัมพนะจิตอีกตัวหนึ่งทําหน้าที่ตาย นะในพบหนึ่งในชีวิตหนึ่งมีอันเดียวมีขณะเดียวทำหน้าที่ตายนะนี่ถ้าเรียนให้มีปัญญาเรื่องจิตนะเรียนได้ย่อยะเลยแล้วจิตแต่ละตัวเป็นจิตชนิดไหนอะไรนี่จะสอนได้ละเอียดยิบเลยไม่มีใครหรอกสอนจิตวิทยาได้ละเอียดเท่าศาสนาพุทธนะ่าอัศจรรย์ที่สุดเลยนะนี่เรียนแค่นั้นไม่พอหรอกไม่พ้นทุกหรอกยิ่งเรียนยิ่งทุกพระท้องจามาก ทำไงเรียนแล้วไม่ต้องจำพัฒนาจิตให้เกิดปัญญานะดีกว่ามีปัญญารู้เรื่องจิตนะถ้ามีปัญญาเรียนเรื่องจิตนันะคับแคบไปนะต้องพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาคำว่าปัญญาในทางศาสน า, าพูดเนี่ยหมายถึงอะไรไม่ใช่ความฉเฉลียวฉลาดอย่างโลกโลกนะคำว่าปัญญาปัญญาคือการรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจจาไว้ก่อนนะ ปัญญาคือกามรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจคือความจริงของกายของใจนั่นเองพูดง่ายๆเราปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยคือการที่เราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเป็นจริงของกายของใจก็คือตัวไตรลักษณ์นั่นเองกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่เที่ยงหมายถึงอะไรไม่เที่ยงหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันกลับไม่มีเรียกว่าไม่เที่ยงสิ่งซึ่งไม่มีมาก่อนมันกลับมีขึ้นมานี่ก็เรียกว่ามันไม่เที่ยง สิ่งที่เคยมีนะี่มันทนอยู่ได้ไม่นานนะมันก็ต้องแตกสลายไปนี่เรียกว่าทุกขังนะเป็นทุกขสิ่งทั้งหลายจะมีขึ้นมาจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเราบังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุนี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยคือความจริงของมันเรียกว่าไตรลักษณ์นะงั้นเราอยากพัฒนาให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจคือให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็ต้องมีวิธีการ ปัญญานั้นเกิดได้3อย่างนะปัญญาจากการรับข้อมูลจากคนอื่นเป็นปัญญาเบสิกเลยนะเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังอย่างเราไปฟังเล็เชอร์ฟังหลวงพ่อขณะ น, นี้ได้ปัญญาเบื้องต้นปัญญาจากการอ่านการฟังนะเอาซีดีไปฟังเอาหนังสือไปอ่านนะฟังอาจารย์เล็เชอร์ปัญญาชนิดที่2อเนี่ยคิดเอาเองนะนั่งคิดเอาคิดเอานะใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์อเอานี่เรียกว่าจินตามายะปัญญา ถ่ายัางใช้จินตามายะปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเพราะมันคิดเอาเองสิ่งที่คิดเอาเองนะจริงหรือไม่จริงก็ได้มั่วเอาก็ได้เใช่ไหมคิดเอาเองเราก็ว่าเรามีเหตุมีผลละอีกคนหนึ่งเขาก็ว่าเขาก็มีเหตุมีผลอย่างสองคนนะตัดสินใจจะไปเล่นหุ้นซื้อหุ้นตัวเดียวกันหรือไงบางทีเหตุผลคนละเหตุผลหรือบางทีเหตุผลเหมือนกันนะตัดสินใจไม่เหมือนกันก็มีเรื่องคิดเอาเนี้มีแต่เรื่องมั่ ว, วเอานะ งั้นมันมีปัญญาชนิดที่สนะปัญญาจากความรู้ที่เกิดจากการภาวนาภาวนาคือการมีสติภาวนาไม่ใช่พุทโธพุทโธนะไม่ใช่ยุบหนอพองหนอนะภาวนาอย่างนั้นมันตื้นไปคําว่าภาวนาแปว่าเจริญเจริญอะไรเจริญสติปัญญาที่เกิดจากการเจริญสตินี่แหละถึงจะทําให้เราเห็นถึงจะทําให้จิตเห็นไม่ใช่เราเห็นนะไม่มีเราหรอก ปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเนี่ยจะทาให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเราไม่เรียนมากหรอกเรื่องเรียนด้วยการอ่านการฟังการคิดเอาอะไรแน่นอนไม่ได้อย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศทำไมทุกคนฟังพร้อมกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันสังเกตไหมเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปดูออกไหมดูตัวเองออกไหมเราฟังไปคิดไปเราไม่ได้ฟังอย่างเดียว ประโยคเหมือนกันเปรียบเลยนะฟังพร้อมกันประโยคที่ฟังเหมือนกันเปรียบเลยแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันนะเพราะต่างคนต่างไปคิดไม่เหมือนกันนะงั้นเวลาคนฟังพระพุทธเจ้าเทศนะทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศเจาะจงสอนเราโดยเฉพาะเลยนะเขาทำมั่งเป็นของกลางนี่ท่านเทศออกมาแต่ว่าคนเนี่ยบางคนได้พระอรหันต์บางคนได้อนาคาบางคนไม่ได้อะไรเลยนะ ทำไม่คุณภาพของจิตมันไม่เท่ากันพอไปฟังแล้วมันไปแปรฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยๆคิดถูกก็ได้บางคนก็คิดถูกบางคนก็คิดผิดบางคนถูกมากบางคนถูกน้อยเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการฟังและการคิดนี่นะยังอาภัพที่สุดเลยอย่าตื่นแค่นั้นนะถ้าตื่นแค่นั้นนะเสียทีที่เป็นชาวพุทธวิธีการเรียนธรรมะของชาวพุทธเนะี่ยคือวิธีของการวิจัยภาคสนาม เนี่ยเราวิจัยภาคสนามมาก่อนฝรั่งนะงานที่เราทำเรียกว่าธรรมวิจัยะวิจัยธรรมะเห็นไ้ยเคยได้ยินไหมธรรมวิจัยะเรียนก็เรียนทรงเดชนะไม่รู้หรอกว่าวิจัยธรรมะจริงๆนะงานวิจัยไม่ใช่งานนั่งคิเราเองนะอย่าแค่วิจัยเอกสารนะกิ๊กก๊อกวิจัยในทางปฏิบัติของศาสนาคุณคือวิจัยภาคสนามเลยเราทำตัวเป็นอะไร นักวิจัยที่ดีทําตัวเป็นผู้สังเกตการนะไม่ใช่ผู้คิดเอาเองนะทำตัวเป็นผู้สังเ ก, กนะ ต, เนะตเเ ก, การเป็นไหมไม่เป็นหรอกเพราะเป็นนักคิดนักคิดไม่ใช่ผู้สังเกตการที่ดีนะนักคิดชอบโมเมลเองว่าไอ้นี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้เพราะอันนี้เพราะอันนี้คิดเอาเองนะส่วนนักสังเกตการนะ่ยไปตามรู้ตามดูนะเห็นเลยสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมานะสิ่งนี้หายไป ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไรหายไปเพราะอะไรเนี่ยตามรู้ความจริงเลยเรื่อยๆไปงั้นถ้าเราอยากจะเรียนธรรมะให้รู้แจ่มแจ้งนะให้เกิดปัญญาให้จิตมีปัญญาจริงๆให้จิตเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนเราก็ต้องเรียนด้วยวิธีของการวิจัยธรรมะการวิจัยธรรมะนะขั้นแรกเลยเราก็ต้องมีตัวอย่างของการวิจัยตัวอย่างของการศึกษา เขาเรียกว่าอะไรภาษาวิชาการหลพ่อก็ไม่รู้และลืมแล้วเราจะวิจัยอะไรสักเรื่องเราต้องมีตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติถ้าเราจะศึกษาทัศนคติของคนไทยอยากรู้ทัศนคติคนไทยคนไทยมีกี่คนตอนนี้ฮะหก้าเหรอมันเหลือแค่นั้นเหรอเออนามีหลายสิบล้าน่ะ เวลาทําวิจัยนะจะสํารวจทัศนคติคนหลาย10ล้านเนี่ยแจกไปเ i, ช่นไนห้าล้านใบ60ล้านใบไหมทาอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่จําเป็นเห็นไหมเราสุ่มตัวอย่างเราสุ่มตัวอย่างมาทําวิจัยนะเช่นอยากทัศนคติของคนไทยเนี่ยแทนที่จะต้องสํารวจทั้งประเทศเราก็เริ่มเลยเอาคนไทยที่มีฐานะอย่างนี้คนไทยที่ฐานะอย่างนี้คนไทยที่ฐานะอย่างนี้เนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเห็นไหม หรือคนไทยในเมืองคนไทยในชนบทเนี่ยเทียบกันคนไทยในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะภาคเกษตรอย่างเงี้ยสุ่มตัวอย่างนะหรือคนแก่คนกลางคนเด็กวัยรุ่นเนี่ยไหมมันคือการสุ่มตัวอย่างทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องไปเรียนทั้งหมดหรอกแต่เราสุ่มตัวอย่างถ้าเราเลือกตัวอย่างได้เก่งนะมันจะเป็นตัวแทนทั้งหมดนะข้อมูลทั้งหมดได้เวลาเรียนธรรมะเราก็เรียนอย่างสุ่มตัวอย่าง เรียนไหมวิชาวิจัยอะไรพวกนี้เรียนบ้างเปล่าอุตษาเรียนถึงปริญญาโทเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราวิจัยธรรมะวิธีวิจัยธรรมะนะท่านให้ท่านสโคบตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เราจะใช้ศึกษานะคืออารมณ์ในสติปัฏฐานสี่นั่นเองเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานไหมไม่ได้ยินต้องตําหนิอาจารย์นะ ความจริงต้องตำหนิโลกศิษย์อะเป็นคนไทยทำไมคำวิเศษอย่างนี้ไม่เคยได้ยินนะคนไทยคนไหนไม่เคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไม่เคยได้ยินคำว่าวิปัสนากรรมฐานเนี่ยอาภัพที่สุดเลยนะของดีของวิเศษที่สุดเลยเราไม่รู้จักอารมณ์ในสติปัฏฐานถ้าดูให้ดีนะมันคือเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยนะอารมณ์ในสติปัฏฐานนะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆ เรียกว่ากายเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกจิตแล้วก็ธรรมะกายเวทนาจิตธรรมกายก็เป็นส่วนของรูปธรรมนะเวทนาเป็นส่วนของนามธรรมาจิตเป็นส่วนของนามธรรมธรรมหมวดสุดท้ายเรียกว่าธรรมมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมานะสรุปง่ายๆนะตัวอย่างที่ท่านให้เรียนเนี่ยคือกายกับใจของตัวเองนะ นี่คือตัวอย่างที่เราจะใช้ในการศึกษาวิจัยธรรมะถ้าเข้าใจกายเข้าใจใจของตัวเองเนีท่านเรียกว่าเข้าใจโลกเลยนะคำว่าโลกในทางาศาสนาพุทธเนี่ยคือรูปกับ น, นามนะเพราะฉั้นถ้าเมื่อไรเราเข้าใจรูปนามเนี่ยเรียกว่าเข้าใจโลกเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเป็นโลกาวิทนะูบางคนตีความมากเลยสแสดงว่าท่านรู้ทุกอย่างในโลกรู้าศาสตร์สาขาทั้งหมดในโลกนะ แต่ความรู้ที่จําเป็นเนี่ยมีไม่มากหรอกท่านสื่งสอนบอกว่าความรู้มีเยอะแต่ท่านสอนใบไม้กํามือเดียวใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยถามว่าคืออะไรนะคืออริยสัจอริ ย, ยสัจสี่นี่ะใบไม้กํามือเดียวถ้ามีไงจะรู้แจ้งอริยสัจมีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละเราะั้นเราต้องเรียนรู้กายรู้ใจไว้ให้ดีนะถ้าเรียนรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งก็เรียกรู้โลกแจ่มแจ้งงั้นพวกเราอาจจะไม่แจ้งเท่าพราะพุทธเจ้าอ่ะ แต่โลกที่จําเป็นต่อการรู้นะัคือกายกับใจของเราเองเนี่ยเราแจ้งแจมแจ้งว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตานะแจมแจ้งว่าเป็นทุกขเป็นกล่องทุกล้วนๆเลยถ้าวันใดเรามีสติมีปัญญาแจมแจ้งขึ้นมานะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้ทุกขแจมแจ้งสมุทัยคือตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่จะถูกละโดยอัตโนมัตินะ ถ้สมุทัยถูกละคือตัณหาถูกละเมื่อไหร่นิพพานคือนิโรธจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานะขณะจิตซึ่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนละสมุทยัยนิโรธปรากฏขนานั้นเรียกว่าอาริยมรรคอริยมรรคจะเกิดขึ้นเพราะฉนั้นจริงๆแล้วงานที่เราจะต้องทําในทางศาสนาพุทธนะเพื่อจะให้รู้โลกแจ่มแจ้งให้รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตัวเองนั่นเองหลวงพ่อนะเคยโดนหลวงปู่ดุล อบรมแบบคล้ายๆทดสอบเรานะทดสอบเราท่านรู้ว่าเราเรียนหนังสือมาเยอะนะปริญญาหลวงพ่อก็มีหลายใบนะไปนั่งอยู่กับท่านวันหนึ่งท่านก็ถามบอกว่ารู้ไหมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเคลื่อนไหวได้เราฟังแล้วก็งงๆนะแล้วท่านก็บอกชี้ลงไปที่พื้นกระเบื้องของท่านเนี่ยรู้ไหกับเบื้องเนี่ย ภายในเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยมีอนุนะเออแล้วมีส่วนย่อยลงไปอีกท่านเรียกไม่เป็นหรอกชื่ออนุภาคประหลาดประหลัดนะท่านไม่รู้ชื่อภาษาฝรั่งหรอกแต่ท่านบอกได้อะว่าเนี่ยมันหมุนนะมันหมุนอยู่ในอนุของมันเองเนี่ยในนี้นะกับในจั ก, กรวาลเนี่ยหมุนแบบเดียวกันนะเนี่ยโหสอนออกมาเราโอ้โหาาโโ ห, หลวงปู่พูดเรื่องอะไร เสร็จแล้วท่านก็สอนต่อเราต้องเงียบไว้นะถ้าอาปากเมื่อไหร่จะเลิกเลยนะท่านบอกว่าตั้งแต่ว่าจักรวาลเนี้ยเกิดมาได้ยังไงสัตว์ทั้งหลายเนี้ยเกิดมาได้ยังไงกระบวนการที่สัตว์ทั้งหลายทํางานจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทํางานจนเกิดสังสารวัตขึ้นเนี้ยทำได้ยังไงกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณจนพ้นจากสังสารวัตรเนี้ยทำได้ยังไงสอนถึงขนาดนี้นะสอนขึ้นมา โอ้ความรู้ท่านอัศจรรย์จริงๆเลยผมพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนนะที่ความรู้อัศจรรย์เหมือนหลวงปู่ดุลแต่พวกเราไม่มีโอกาสเจอแล้วนะชาตินี้ก็ไม่เจอชาติหน้าก็ไม่เจอชาติไหนก็ไม่เจอแล้วลนะหมดโอกาสนะเราพยายามเรียนรู้นะทําไมหลวงปู่ดุลความรู้เยอะแยะเลยท่านบอกหลวงพ่อมาด้วยว่าธรรมะ 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์เนี่ยออกไปจากจิตที่บริสุทธิ์นี่เอง ที่แม้ถ้าเราเรียนที่จิตได้นะเราจะเกิดความรู้ที่อศัศจรรย์อะไรได้อีกเยอะแยะเลยอย่างความรู้แค่ระลึกชาติได้รู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดไหนอะไรเงี้ยนี่ความรู้ธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจอะไราศาสนาอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันไม่อศัศจรรย์แต่ธรรมะที่อศัศจรรย์ที่สุดความรู้ที่อศัศจรรย์ที่สุดปัญญาที่อศัศจรรย์ที่สุดของชาวพุทธเรานะคือพ้นทุกได้มันพ้นทุกได้จริงๆนะไม่ใช่ต้องรอให้ตายแล้วถึงจะพ้นทุกหรอก มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้แหละไม่มีทุกได้อะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่เราฝึกให้พอนะฝึกให้ดีพอนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์เราอยู่กับโลกนะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถามว่าโลกจะหมดความทุกข์ได้ไหมโลกไม่หมดความทุกข์ความทุกข์ท่วมโ ล, ก อ, ออ ล, โล ก, ก, กอยู่อย่างนี้แหละคนทั้งโลกก็ทุกข์อยู่อย่างนี้สัตว์ทั้งโลกก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแต่จิตที่ฝึกอบรมดีแล้วนะจิตที่พัฒนาจนเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแล้วเนี่ย มันหลุดออกจากทุกได้นะมันพากออกจากทุกมันพ้นออกจากทุกมันพ้นออกจากขันนั่นเองพ้นออกจากรูปจากนามเนะีอัศาจรรย์งั้นธรรมะของพระพรุทธเจ้านี่อัศาจรรย์สุดๆเลยนะพวกเราชาวพุทธนะก็ควรจะเรียนเอาไว้อย่าให้ต้องอายเขาต้องรอให้ฝรั่งมาเรียนแล้วเราก็ไปเรียนจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งแต่ผิดผิดถูกถูกนะไม่ได้เรื่องหรอกนะงั้นเราเรียนตรงๆเลยเรียนเข้ามาที่กายที่ใจของตัวเองนี่แหล มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะเดี๋ยววันต่อๆไปจะเริ่มสอนว่าทํายังไงจะมีสติทํายังไงมีสติแล้วจะเกิดปัญญานี่ต้องเรียนทั้งนั้นนะสติไม่ใช่อยู่ลอยๆก็เกิดแต่ละคนไม่มีสติหรอกอย่านึกนะว่าเรามีสติคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีสติเลยทั้งโลกนี้มีแต่คนหลงไม่มีคนมีสติหรอกเมื่อก่อนเวลาเราพูดอย่างนี้เราต้องพูดกระมิดกระเมี้ยนหน่อยกลัวมันเตะเอาเดี๋ยวนี้พยานของหลวงพ่อเยอะนะ คนที่ภาวนากับหลวงพ่อนี่มีเป็นไม่รู้กี่หมื่นคนกี่เป็นแสนเนั่นแหละนะแล้วที่เขาเริ่มมีสติขึ้นมานี่นับไม่ถว้วนอะพวกนี้เป็นพยานให้หลวงพ่อได้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีสติเลยมีแต่ความลำพองใจความอวดดีอวดเก่งนึกว่าตัวเองมีสติแต่ไม่มีหรอกคนในโลกมันหลงตลอดเวลานะมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่ใจมันหลับมันฝันตลอดเวลาเลยนะอาศัยได้ฟังธรรมะเนี่ยวันหนึ่งจิตมันตื่นขึ้นมา หารู้สภาวะนะแล้วสติเกิดนี่พอมีสติแล้วก็ต้องเรียนต่อไปอีกทำยังไงปัญญาจะเกิดมีสติอย่างเดียวปัญญายังไม่เกิดถ้ามีเงื่อนไขสําคัญอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่คนส่วนใหญ่ฝึกกันนั้นคือมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือภาวะที่จิตตั้งมั่นมิจฉาสมาธิคือสภาวะที่จิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์ันเดียวนิ่งๆนะไม่เกิดปัญญา ถ้าสัมมาสมาธิจิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แล้วเกิดปัญญานี่ก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าทำยังไงสัมมาสมาธิจะเกิดนะเราจะเกิดปัญญาได้นะปัญญาของจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไดนะ้เกิดปัญญาด้วยจิตส ภ, ภาวนานะขึ้นมาได้เนี่ยมีเครื่องมือสําคัญสองตัวคือสติตัวหนึ่งสติคือความระลึกได้รู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่กาลังปรากฏอยูนะ่แล้วก็ต้องมี สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระรลึกรู้อารมณ์เราจะเรียนจนได้สองตัวนี้มาถ้าเรียนจนได้สองตัวนี้มานะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่เกิดปัญญายังไงก็ต้องเกิดปัญญานะในทางาศาสนาพุทธท่านสอนไว้นะว่าปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่สัมมาสมาธิเกิดโดดๆไม่ได้ต้องประกอบด้วยสติด้วยนะเรียกว่าเกิดต้องเกิดด้วยกันแต่มิจฉาสมาธินี่ไม่มีสติได้ นั่งไปแล้วก็เคลิ้ไม่มีสติลืมเนื้อลืมตัวเวลาจะต้องเรียนนะให้ได้สองสิ่งหนึ่งให้เกิดสติสองให้เกิดสัมมาสมาธิถ้ามีสติมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยสติจะระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่กาลังปรากฏจิตในขณะที่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมานั้นจะตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ตรงที่จิตสักว่ารู้ว่าเห็นนี่แหละจิตทําตัวเป็นนักวิจัยชั้นดีละ คือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปคาดคะเนว่ามันเป็นยังไงแต่รู้ทุกอย่างที่เขาปรากฏตามที่เขาเป็นจริงๆนั่นแหละนักวิจัยที่ดีนะต้องสักว่ารู้ว่าเห็นได้จริงๆไม่ได้มีอคติจิตที่ไม่มีความตั้งมั่นยังมีอคติอยู่นะเพราะนั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งได้สติก็ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วปัญญาจะเกิด เวลาปัญญาจะเกิดนะมีกระบวนการที่ปัญญาจะเกิดไม่ใช่คิดเอาแต่มันเป็นความรู้แจ้งของจิตเป็นความรู้แจ้งของจิตขึ้นในฉับพลันมีควาว่าฉับพลันด้วยไม่ใช่ค่อยๆรู้ทีละนิดค่อยๆรู้ทีละนิดเนี่ยต้องแบบปัญญาหลังโลกโลกค่อยๆเข้าใจไปแต่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนะเวลาปัญญาเกิดนะเกิดในฉับพลันเ คลายๆนะเทียบคล้ายๆสมมตเราอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งที่ยากที่สุดเลยหนังสือเรื่องนี้อ่านรอบหนึ่งไม่เข้าใจสองรอบไม่เข้าใจสมรอบไม่เข้าใจอ่านไปครบยี่รอบสมมติเวลาเกิดความเข้าใจนะจะเข้าใจในฉับพลันนะปิ้งเลยเกิดเข้าใจปิ้งขึ้นมาเลยอ๋อแค่นี้เองมีคําว่าอ๋อขึ้นมาเลยนะเวลาจิตจะเกิดปัญญาเนะี่ยเกิดในฉับพลันนั่นเองแต่อาศัยการเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะอาศัยเวลา อาศัยเวลาที่มีสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรียกว่ามีสัมมาส ม, มาธิในสุดปัญญาจะเกิดมันจะอ๋อขึ้นมานะในใจมันไม่ใช่เอะนะไม่ใช่เอ๋ออะไรงี้ไม่ใช่เลยนะอ๋อแค่นี้เองบางทีต่อด้วยการด่าตัวเองไอ้งโง่แค่นี้เองนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะมี อ, องค์หลวงปู่สุวั์ ท่านบอกตอนที่มันปิ๊งขึ้นมานะท่านด่าตัวเองเลยว่าโง่แท้นาะของง่ายแค่เนี้ยของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยทําไมไม่เคยเห็นพวกเรารู้ไหมอะไรอยู่ต่อหน้าต่อตาเราดูไหมนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่ทําไมโง่แท้นาะไม่เคยเห็นน่ะฮะเดินชนทั้งวันไม่เคยเห็นน่ะเพราะจิตเราไม่มีคุณภาพนะจิตเราไม่มีปัญญาพอมันจะเข้าคอสจิตแต่ปัญญาหรือไม่เข้าคอสไม่สําคัญหรอกนะ หัดภาวนาให้ดีมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปถ้าทําอย่างนี้วันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะโอ้แค่นี้เองอะนะเซอร์เซตั้งนานที่แท้แค่นี่เองนะแล้วความทุกข์เนี่ยจะกระเด็นหายไปจากชีวิตเราเลยนะไม่ใช่ทุกวันนี้นะทุกทุกสุขสุขดิบดิบสุขสไปเรืนะ่อยอดทนนะพักเพียรเอาไม่ใช่ว่าจบคอร์สแล้วก็ได้บรรลุแล้วนะการภาวนาเราทำกันแลมเดือนแลมปีค่อยฝึกไป จิตใจค่อยพัฒนาเป็นลำดับลําดับไปเกิดปัญญาข่าวแรกก็เป็นพระโสดาเกิดตัดสินความรู้ครั้งที่สองก็เป็นพระสกทาคาแค่นี้ยังไม่พ้นทุกนะแต่ว่าทุกเนี่ยน้อยบางมากเลยครั้งที่สามเรีพระนาคาไม่ทุกเพราะโลกนี้ละไม่ทุกเพราะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายละแต่ความทุกอยู่ที่ใจทุกอะไรทุกอยากเป็นพระอรหันต์ทุกอยากพ้นทุกทุกอยากไม่เกิดอีกนย ทุอยากรู้แจ้งแต่ไม่รู้ว่าอยากรู้แจ้งอะไรเพราะถ้ารู้ว่ารู้แจ้งอะไรก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละเฉะลยให้ก็ได้ว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจก็พ้นทุกเลยเป็นพระอรหันต์นั่เราเรียนไปเรื่อยนะเราจะพัฒนาจิตใจเนี่ยให้เกิดปัญญาจนวันหนึ่งรู้แจ้งอริยสัจแล้วเราจะพ้นทุกอย่างแท้ จ, จริงวันนี้เรียนเท่านี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ถูกน็อกละ ฟังก็ปวดหัวชวนไปทานข้าวนิมนต์หน่อยครับ